นี่เป็นวันสําคัญนะสำหรับชาวพุทธเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันสําคัญวันแรกของปีนะจากนี้ไปนะก็อีกสเดือนก็เป็นวันวิสาขะหลังจากนั้นไปอีกสองเดือนก็วันเข้าพรรษาวันสําคัญในพุทธศาสนานี่ปีนึงก็มีแค่ 3- าสี่วันเท่านั้นแหละมาฆะวิสาขะอสันลหะรวมเข้าพรรษาเข้าไปด้วยแล้วก็วันออกพรรษา อันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันแรกของปีนะก็เป็นเครื่องเตือนใจนะว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยนะเกิต้องระลึกถึงพระธรรมคำสอนหลายคนที่ทำงานทำการถ้าเป็นสมัยก่อนก็ทำนาสมัยนี้ก็ทำไร เ, เสร็จหน้านานะเกี่ยวข้าวเรียบร้อยบางทีก็เพลินไปนะ เพราะว่ามันมีงานบุญหลายอย่างเช่น ง, งานบรรจุกระดูเข้าธาตุนะงานแต่งงานอันนี้ก็เป็นงานนะที่เป็นประเพณีของชาว บ, บ้านเราวานนีก็เพลินนะจนลืมไปว่าโอ้ได้เวลาแล้วนะนที่จะต้องเข้าวัดฟังธรรมจริงๆวันพระก็มีอยู่นะทุกอาทิตย์นะแต่ว่าคารวะญาติโยมส่วนใหญ่ก็มีงานมีการ มีกี่ที่ต้องทําก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มาวัดอย่างที่นี่นะถ้าเป็นเทศกาลถ้าไม่ใช่เทศกาลเข้าบรรษาก็ไม่ค่อยมีคนนะมีเวลามาจําศีลแต่น้อยในก่อนที่เข้าบรรษาก็มีโอกาสเข้าวัดบ้างโดยปา ร, รบเอาวันมาฆาบูชานี่แหละก็เป็นธรรมเนียมนะเมื่อวันสําคัญอย่างวันมาฆาบูชามาถึงก็ผู้คน ที่เป็นชาวพุทธก็เข้าวัดใสบาตรถือศีลแล้วก็ฟังธรรมการฟังธรรมตามการเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งนะอันนี้พวกเรามาวัดแล้วนี่อย่าให้มาแต่ตัวนะพาใจเจ้าของมาด้วยพาใจมาแล้วนี่ก็ให้ใจเป็นบุญด้วยนะบางคนเนี่ยมาแต่ตัวแต่ใจอาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้ แบบนี้นี่ได้บุญน้อยนะเพราะว่าพอใจไปอยู่ที่บ้านแล้วก็นึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตใจอาจจะเศร้าหมองหรือว่าไม่เป็นกุศลพอเกิดความโรคนะก็ได้อย่างนี้เนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกไม่มาวัดกลับจะได้บุญมากกว่านะถ้าหากว่าใจเป็นบุญนะอยู่บ้านอยู่ไร่อยู่นาแต่ว่าใจเนี่ย นึกถึงธรรมะนึกถึงบุญกุศลตัวอยู่ไล่นานะแต่ว่าใจเนี่ยอยู่ที่วัดนึกถึงบุญกุศลเนี่ยอันนี้ได้บุญกว่านะอย่าไปคิดว่ า, อาพอมาวัดแล้วมันจะได้บุญเสมอไปมาวัดมาแต่ตัวนะแต่ว่าใจอยู่ที่อื่นหรือว่าใจไม่เป็นบุญเนี่ยมันก็ได้บุญน้อยก็มีเรื่องเล่า ว, ว่านะมีผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันนะเช้าวันหนึ่งก็เดียนเสียงนะ เสียงค้องนะเป็นสัญญาณว่าวันพระมาถึงแล้วคนแรกนี่ก็ตัดสินใจว่าเออนะเช้าวันนี้เราจะเข้าวัดไสรบาดฟังธรรมสัหน่อยก็ชวนเพื่อนแต่เพื่อนคนนี้เนี่ยนะเขามันนึกดูแล้วถ้าเขามาวัดไสรบาดฟังธรรมแล้วเขาคงจะไม่มีอะไรจะกินนะนะก็เลยปฏิเสธเพื่อนไปว่าเนี่ย เธอไปคนเดียวก็แล้วกันนะฉันจะไปหวานแหในสระเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินนะคนหนึ่งไปวัดอีกคนนึงนะไปหวานแหจับปลาคนนึงตั้งใจไปทําบุญอีกคนหนึ่งก็ทําบาปนะจับปลานี่มันก็บาปนะถึงแม้จะเป็นอาหารก็ตามปานาติบาสไอคนที่ไปเข้าวัดนะใส่บาสก็ฟังธรรมหลังที่ฟังธรรมก็นึกถึงเพื่อนนะที่ไป จับปลาอยู่ในสระในหมู่บ้านนึกถึงเพื่อนที่จับปลาก็นึกว่าเออแล้วจะได้ปลาอะไรมากินบ้างนึกไปนึกไปก็อยากกินปลานะนะแกงปลานะเพื่อนนึกไปว่านี่ถ้าเพื่อนจับปลาได้หลายตัวก็คงจะทําแกงมาให้เรากินใจก็นึกถึงนะแกงปลาเนี่ยที่เพื่อนนะจะทําให้แล้วก็เลยคิดต่อไปว่าเออ ยายเพื่อนจับได้หลายๆตัวนะเราจะได้มีกินเย็นนี้จะได้ไปกินแกงปลากับเพื่อนส่วนเพื่อนนะที่กาลังหว่นแหยอยู่เนี่ยขณะที่หว่นแหยก็นึกถึงเพื่อนที่อยู่ในวัดนะไปฟังธรรมก็คิดว่าเพื่อนตอนนี้กาลังคงกาลังฟังธรรมอยู่นะนะใจก็คงจะเป็นบุญ น, นะนะที่ได้ฟังธรรมระหว่างที่จับแหย่ระหว่างที่หว่นแหบางทีก็ได้ยินเสียงคล้องจากวัด เพื่อนก็นึกถึงวัดนึกถึงบุญกุศลเพื่อนก็ อ, อนุมโมทนาอย่างนี้ได้บุญนะหวานแห่เนี่ยแต่ว่าใจเนี่ยนึกถึงพระนึกถึงบุญกุศลนึกถึงเพื่อนที่กำลังฟังธรรมส่วนคนที่กำลังอยู่ในวัดเนี่ยฟังธรรมเนะี่ยแต่ว่าใจเนี่ยนะมันนึกถึงแกงปลาที่เพื่อนนะจะจับมาให้เรามาทำให้เรากินนะ อย่างเงี้ยกลับได้บาปนะเพราะว่า จ, จิตมันอยากจะจิตมันเกิดความโลภแล้วก็อยากจะให้เพื่อนนี่ได้ทําบาปมากๆ า, กากนะตัวเองจะได้กินปลาไอคนที่อยู่ในอยู่ในอยู่นอกวัดนะหวานแหวันนั้นฮจับปลาไม่ได้สักตัวเลยเพราะว่ า, าใจมันนึกถึงพระนึกถึงบุญไม่ได้ปลาแต่ได้บุญนะอีกคนนึงอยู่ในวัดตั้งใจจะไปทําบุญฟังธรรม แต่ว่าจิตอาจจะเศร้ามองหรือได้บาปก็ได้มันไม่แน่นะไม่แน่ว่าเอ่ออย่าไปคิดว่ามาวัดแล้วจะได้บุญเสมอไปอยู่ที่ว่าใจเนี่ยคิดอะไรด้วยตัวอยู่วัดแต่ว่าใจเนี่ยไปนึกถึงวงเล่าที่เพื่อนกําลังเฉลิมฉลองกันอันนี้ก็ไม่ได้บุญนั่นนะเพราะว่ากิเลสไม่ได้ลดไม่ได้ละในเวลาทําบุญนี่ก็ให้รู้นะว่าอยู่ที่ใจสําคัญนะพระเจา้าตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจประเสริฐสุดนะสำเร็จแล้วที่ใจนะการมาทำบุญนะจะได้บุญหรือไม่อยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวอยู่ไหนบางคนอยู่ในตลาดนะเห็นหมาขี่เลือนมันหิวโหวยนะก็ไปซื้อปิ่งไก่ให้มันกินนะอันนี้ได้บุญนะส่วนคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่ค่อยมีจิตใจเอื้อเฟื้อเท่าไหร่เวลา ตักอาหารก็ตักมากกาคนอื่นเพราะอยากจะได้มากไม่มีใจเอื้อเฟื้อให้กับคนที่เขาตามมาข้างหลังเวลาทํางานทําการอะไรคนหนึ่งเขาก็ทําแต่ว่าตัวเองไม่ทำนะขี้เกียจนะหลีกเลี่ยงงานอย่างนี้เ่ยไม่ได้บุญนะหรือได้ก็ได้น้อยตัวอยู่วัดแต่อาจจะได้บุญน้อยกว่าคนที่อยู่นอกวัดอาจจะทํางานอาจจะอยู่ในตลาดนะแต่เขา นะมีจิตเมตตาแล้วก็ไม่ได้เมตตาเฉยๆนะลงมือทาด้วยช่วยเหลือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราม า, มาทาบุญเนี่ยตั้งใจพาตัวมาวัดนะก็เอาใจมาด้วยพอมาวัดแล้วเนี่ยใจก็ให้วางทุกอย่างไม่ว่าที่บ้านหรือว่าที่ทำงานหรือว่าไรนาบางคนมาวัดใจไม่ได้นึกถึงงงเล่านะไม่ได้นึกถึงปลา ที่เพื่อนกําลังจะจับอยากจะให้อยากจะกินปลานนั้นที่เพื่อนจับไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่นึกถึงลูกที่กําลังป่วยหรือว่านึกถึงลูกที่กําลังเตรียมสอบแล้วก็กังวลว่าลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมสอบเข้าโรงเรียนได้ไหมหรือว่านึกถึงพ่อที่นะกำลังอยู่ในโรงพยาบาลจิตใจก็เป็นห่วงนะมีความกังวลถ้าจิตใจเศร้าหมองนี่มันก็ไม่ได้บุญนะตัวอยู่วัด ฟังพระเทศนะแต่ว่าเสียงพระเทศนี่มันเข้าหูก็จริงแต่มันไม่ได้เข้าไปในใจเพราะว่าใจไม่ว่างซะละใจกําลังมีความวิตกมีความกังวลมีความเป็นห่วงห่วงลูกห่วงหลานห่วงพ่อห่วงแม่อันนี้มันก็ไม่ใช่พอดีเสมอไปนะเพราะว่าใจไม่เป็นกุศลนะ่ะไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างงั้นมาวันนี้ก็ต้องวางนะ ใจนี่ก็ให้อยู่กําเนื้อกับตัวตัวอยู่วัดนะใจก็อยู่วัดด้วยพระแสดงธรรมอ้าวก็ตั้งใจฟังนําไปใคร่ครวญ น, นะเพียงแค่ตัวนั่งฟังเนี่ยมันยังไม่ได้บุญนะคนบางคนไม่เข้าใจว่าเนี่ยถ้าถ้าตัวนั่งฟังพระเทศแล้วใจจะได้มันจะเป็นบุญอันนั้นยังไม่ถูกเรามันอยู่ที่ว่าใจเนี่ยคิดอะไรด้วยตัวฟังพระเทศ แต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนนะบางทีใจก็โกรธเพื่อนนะที่เขาโกงเงินเราไปหรือว่าโกงเพื่อนหรือว่าเพื่อนโกรธเพื่อนนะที่เขามาดุด่าว่าเรานี่มันก็ไม่ได้บุญเหมือนกันนะเพราะว่าใจิตใจเกิดโทสะเกิดความรุ่มร้อน <c oughs> บุญเนี่ยนะจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ก็ตรงที่ว่าใจเนี่ยเป็นกุศลไหมใจสงบใจเย็นไหม นะเวลาเราใส่บาตรแล้วใจเราสงบเย็นก่อนใส่นะก็จิตใจช่มชื่นใส่เสร็จแล้วจิตใจเบิกบานอย่างเงี้ยได้บุญเลยได้บุญเต็มเลยแต่ขณะที่ใส่เนี่ยนะมือเนี่ยตักอาหารนะใส่บาตรพระนะแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนใจไปพววงถึงลูกน้อยอันนี้บุญมันก็ได้น้อยเพราะว่าใจเนี่ย ไม่สงบฟังธรรมก็เหมือนกันนะอย่างที่บอกเนี่ยจะได้บุญหรือไม่ก็ต้องทือว่านะใจสงบไหมขณะที่ฟังธรรมแล้วยิ่งพิจารณาแล้วเออเกิดปัญญาขึ้นมาใจสว่างยิ่งได้ยิ่งได้บุญใหญ่ไม่ใช่ว่าตัวนั่งฟังแต่ว่าหลับสะ ป, ประกบเนี่ยนะบางทีไปเข้าใจอย่างนั้นนะหรือว่าเวลามีพระเทศทางวิทยุนะก็นั่งพนมมืออยู่หน้าวิทยุ คิดว่าได้บุญนะแต่ว่าใจไม่รู้อยู่ไหนสําคัญที่สุดนะัคือใจนะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการทําบุญนะด้วยอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญอยู่ที่ใจนะนะให้ทานแต่ว่าใจเนี่ยนะไป น, นึกแข่งขันกับคนอื่นเขาว่าใครจะบริจาคใครจะถวายมากกว่ากันพอรู้ว่าเราถวายน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเงินกระถินเงินผ้าป่า จิตใจซ่อมามองรู้สึกอับอายอย่างนี้ก็ได้บุญน้อยแล้วเงิน <c oughs> ที่ถวายนี่มันจะมากหรือน้อยไม่สําคัญถ้าก็วใจนะใจเป็นอย่างไรใจให้ด้วยศรัทธาหรือว่าอยากจะเอาหน้าอยากจะสร้างภาพนะให้เงินถวายเงินเยอะแต่ว่าต้องการสร้างภาพเรียกว่าทําบุญเอาหน้านี่ก็ได้บุญน้อยคนที่ให้แค่สลิงเดียวบาทนึงนะแต่ว่าให้ด้วยศรัทธามีทั้งเรื่องตัวมีเท่านี้แหละแล้วก็ไม่ได้นึกตันหนีทีเหนียวเลยนะ มีเท่านี้ก็ให้เนี่ยอันนี้ได้บุญกว่าแล้วนั้นเข้าใจนะว่าการทําบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ได้ที่ว่าตัวอยู่ไหนไม่ได้ที่ว่ากายทําอะไรกายพนมมือเหมือนกับ น, นั่งฟังธรรมะแต่ใจนี่ไปอยู่ที่โน่นที่นี่นี่อันนี้ได้บุญน้อยสู่คนที่อยู่ในไร่ในนาแต่ว่าใจเนี่ยนึกถึงพระนึกถึงบุญคุณศนได้ยินเสียงระฆังเสียงคล้องเออ นึกถึงพระนึกถึงวัดใจก็สงบเย็นอันนี้ได้บุญแล้วล่วก็เตรียมรับพรยะถาวดิวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินนางเปตานางอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุ მ หังขิปเมวัสมิชาตุสพภปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยาถามณีโชติรโสยะถา วิวันชันตุสานะโรโกวินัสสันุมันเดปาวาตันตารายโสุขีติขายุโกภวาอภิวันเสลิสันิจังวุฒาปัญโนจนาร ธรรมาวันติอายุวันโนสุขังปารังภาวตุสัพพามังคารังขันตุสัพเทวตาสัพพุตานุภาเวสันตโสธิภวนตุเทภวัตุสัพพมังคารัง อันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุอาเวนัสตาโสติภวนตเดภวตุสาคารราคันตุสาภเทวตาสาภสังฆานุอาเวนัสตาโสติภวนตเด